這好，好，聊你就看。 ก็เราก็ได้โทรไปแล้วนะครับแล้วก็ได้โทรไปแล้วนะครับโอเคครับ ก็มีด้วยตัวเดียวเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า แต่ไม่ยอมคุยนะแล้ว่ะ ที่ก็ถวายถวาย โอ้หนูถึงคุยกับแม่ถึงนะ1กิโลนี่คุยกับแม่นี่คุยกับใครน่ะ 新禄为 muitas 情 ERarias <Tipp> 两者的閩使他们赢是来自学的一些浮学是来自杜杜被西区人 อย่างเราไม่ต้องกครอย่างนี้ตัวเองตัวดีงตัวเองตัวเองตัวเอคตัวเองตัวเองตัวองตัวเอัวเองตัวเอัองตัวเอครัวเองตัวเองตัวเองตัวเัวเองตัวเองตัเอัองตัวัวัััััััััััััััััััััััััััั กอ้น้้มน้หวานมันมันเติมไม่หลือจิ้มแล้วมาโอ้โหลังแล้วันมีอะไรก็ไม่เดือด เจ็ดหาค่ัี่สบสานะยี่สามคราวนไปเรจะเดินแบบไปทางนู้นก็ไม่ยู่ไปเชียงแ่ตัวแม่ลูกแกลูกาแม่ยอแก ร้อยสิบกว่าหกสบกว่าแล้วอื่นเท่าไหร่ไม่ไหวอีกไม่มีแก้วนี่นีนี่อยู่นเปิดอยู่นี่ไม่ได้้านไม่กจะราน เราอ่านเรื่องหนังสือหนังสืออัานแล้วก็อ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอัานอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่าน พร้อมสองที่ทำขายใช้ตัวเมิใช่หมิบแปดมอถ้ถ้าเป็นงหญ่ราจะขายอยากจะขายเรามีอะื่อตอนนี้ติดก็ได้คุณบนตัวนนคอนเสร็จแล้วแต่ตัวนุ่ที่เ้าต้องบอกเลยว่าไม่เคยได้ขายั ข้าวต้มด้มดอไปสอส่่ปงไงีีี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 So, <coughs> we can go right there and say напр 禅 What do we sign it up there? Yeah, I was born and in quoi. And what did it happen to you? That's what you do, myalnızca art in front of the people you are your sister You speak myself นี่คนมาซืแต่ที่จัี้สำหรับนอนี้จะายลไม่ี่ที่จริรู้ขหน้า้านร้ขาไปู้ขายก็ไมต้อง การหนเป็นแฟนกันกาจะพูดถึงหนูอยู่แลวก็ไม่มีนที่กว่าเสียเวลาไปที่นไป่หป็นไปไหาใหม่ทํานาปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนนไห้ไปไนไนไปไหน่ปไหนไปไหนไนไปไหนไปไหนไปไหนไปน บคุว่าวนี่บกอ๋อเระเป็นเหมอนคุณพ่อ้่ะแต่ปรด็นคือคุณพ่อต้องฝากคุณแมว่าถ้มีผู้ชมว่านนคี้ามีอาเซียก็ฝากคุณแมบ เราหนูไป i ำปีนึงไม่ได้ด้วยไม่พอแล้วก็เอาละเอาแบงไปทำเพราะน้อที่เนี่า่ต้องุดแบน่ยว่าขึ้นไลาต้องรอเยกัน็ะไท้คัญมเ่ ลูกสาวลูกสาวไม่ใช่ตายเป็นลูกสาวพี่ก็ไปตายแน่แต่ลูกสาวหนูอย่างนี้เอาตีเอาตม่เป็นไนเอันกว่านี่นทางเรียนาุก้าองาส โอเคครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลย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 คุ้มากแค่ไหมต้องใช้เวลามีพี่แม่ที oui> ่เก็บมาลายล้าสิแล้วแล้วสมุดไม่มีเลยสมุดสำหับใช้เออเีอะเอ่อตืนสักเร่อยๆหอครับจะหักคอจินอย่างนั้นอ่ะ โอ้วันที่ห้าวันที่วันที่หวันที่้เดือนสิบ้าวันที่วันที่สิบห้าสไม่ต้องใสน่ จะมาถวายเก็ทวายมาเรอมเป็นแบบีคนถวายทรืยพขอบ้าวุ้นมเ๋คนต้มาถวายเดี๋ยวรอนมาถวายพ่อหวพอหลวม่หลวอลพ้าากไลวงพ่อมา้ก็เป็นรมจะขอร้องแม่ห น่าที่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าที่เขาไม่ยอมแบ่งกันอยู่นี่แต่่อเขาเขาอีมากแต่ว่าเขาไม่เคยกอมทำทำ8ชั่ว็มงฟ้องไม่ฟ้องกันมากที่หนูค่ะแต่เขาไม่เขาไม่แชร์นะเขาไม่มีเขาต้องไปหา จริมู้ขถาเลยยังไงรูาก็ไม่รับผอม่รูเลยม่้งมี่เดินทางมะรัม ไม่รู้อะไรมี่บ้างนะมันอเป็นไปลน่มันป็นสยืเอาไปเลยเอ่อทุกคนทุทุกคนทนกคนทุกคนทุทุกคนทุกคนทุกกคนทุกคนทุกคนทุกกคนทุกคนนทุกคนทุกคนนนคกนนนทนน โอกาก็เป็นยอดปัญหาแล้วท่าเน่ยหล่ก็ได้มหลวงพ่อท่านมาไว้พระพุทธรูปมาเนี่ยี่ใหญ่นีแล้วก็ไยิ่มพอหลวงพ่อใหญ่มาเนี่กันในไม่ไดเจอมาเป็นอกก็าไว้ที่น มันมันครูครับ I have to find you on your side. Ha ha ha ha. I have to find you for now. Oh, I do want to. Thank you. I think you can do that. I think you can do that. ถ้าถันเองไป้วเราไปอ้ไม่ใช่่เราอยากเห็นแต่เดยวก็ติดภกคนเอาไปไปท่เตอลแล้วก็่ายได้ต้ององได้สวยมาก้าจะไปด น, นี่โตหมูนี่ก็ อ, พอพบคุพระจ้า เ, าาเนขนเ่าไ่แล้วพอคนนุณูคุณก็จะเขินแล้วัตก็มีสมาชิกทําวัดนี่ก็ร้อยสิบเจ็ดก เขเดืนเขได้พันคนเดยวค่อยๆเจ็ประมาณนี้เงินหมื่นก็เป็นหนี้เขาหมืบาทเนี่ยเนนี้เป็นไม่หนี้แเงินร้อกว่ามาไอ้พี่ไปอยู่พี่หมว่าถ้าต้อ ก็ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลย้องเก่านันมีบทละครหลายูปน้อยกี่ยวนี่เวลาจัดงานก็นมีมนุษยวิชามาร่วมรวมเร่ว ม, มกันก็ไม่มีหลายรูปอยู่ ไม่ใชอไมใช่งานวันนู้นแต่คู่นี้แนะแต่งานนี้แต่ที่นูนแหก็มามีสิเนี่ยเดืียวเอ่อนี่ครับเป็นเด็กขาววัดเด็กขาววัดผมเป็นผูู้สอนทั่โรงงานที่ตะโกนศิษย์ครูสอนหนึ เพรารก่ก็แล้วก็คุณมากเราเป็นอุปยศท่นั้นคือว่าวันนี้โค้ดเราบ้แล้วเขาค่อยแจ้งคาถากันหมดแต่ก่อนมีรมายองผมเหมนก็จมเคราะหแต่แบาต้งน้ำมาบ้างนิดหน่อยว่าทั้งหมด20 30ปุ่มมาโอ้ยเงี้อยากบยกบ่เงี้ มีเพชรมาแล้วต้องเอาใหาใชองแล้วแต่หนีหมดแล้วอ๋มีเอาไม่มีเป็นหัวเลียวหัวรหัวเป็นหลักทางนอกแก้วกุณเหลักแกว็นห้ว้มาครับก็ ไอเด็กเั้นนวดตัวคุณหลวงนั่นล่ะนวดผมหลวงสูับมพักกัน เราเลิกงานแล้มีองปูกไม่ใช่เรยากามวหมผมู่ต้องงเปนหาร้อง้งาให้ได้ทีรอาอนนี้จการกำลังผีมาป็ร้ันที่พอดีพอดียที่ก่าวเราเิ่มเป็นแทนกันเลยขนมปิ้งปแล้วกย พ่อเเป็นเสือตุพันเนี่ยแม่ก็เป็นเสือพิจิมสองเลือดผสมกันนาะอ๋อเสือเนีขาายานไปเลยที่เอะไรเจอะไรเจ่ดอ้เย็นนี้ตอนนีเย็นี้จะไปโรงแรมหรือเปล่าคุณโยมจะไปโรงแรมไห ทุนนี้ไปส่งท่านนะนะท่านพบ ก, กันที่สนามบินนะกระจอกห่อนสว้าเห่อนห่อนโทวันตินห่อนสวาที่ไหนที่บ้าน น, นะนะนะ ไปไปนู่นมาแล้วมาแล้วก็มาแวะที่วัดนูน <c oughs> <c oughs> กับกับที่พักอาท่านเตียงยงานถึงอาหาได้อาห า, ไ ด, า, หาได้ได้อ า, าไ ด, ได้ได้ได้ไดเดเนเดนน ยังกิจนรณาโตหลงข้อไปื้อวัดอย่างนโอเคแทงครับผมที่ได้ยินเสื้อที่ นมกันในตละไรหวายไ้อทเอเคอร์นึ่ที่นี่ผมยื่นขอไปไปองตัวงั้นก็เป็นร์บีซีเวลาสร้างเป็นมือมาตัวนี้โอ้ได้ั้ครับลวต้องนครับตหมากะไม่ต้องขาย อาศาสร์ตายอะศาสต์ไม่ขึ้นไหมนี่ไปี่จอดไปวัดต้นใดก่อนตไม่ต้องไปต้นโนนเนี่ยอาว่าผมมีผมมีบน อะไรนี่ลงจิตลงพอดลงศพไม่รับผิดเลยถ้าเราลงลงล่าเอาลูกหลอดใหใจนี่ลงล่งเลยไม่ยุ่งใหญ่ตัวยื่นมาที่ล่างทั้งตัวหายไปแล้วไมยอลงได้ลงได้รถฉลามไปไหไปจีนดนนะ่เอาลงได้รอดสนไหไปวัน้ำคราม ไปไปวัด <c ười> เดีวไปตัวเองแต่ไปไม่ได้อยู่านไม่ได้โทษไม่ได้โดน้แที่เราเจอกันอนฉันรู้กันไปไหนไปไม่ได้บอาจารย์รู้นี่ก็ผมยังติดกับาที่ทีนี้มนเป็นหน้าด่างต้องท้างเป็นที่เลือบบนัน นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวลทุก่าตต้องมาถึงคล้วชาติอื่นท้างไทยมันแพี้ยังเที่ยวที่หน้ล้วครับองหลวพี่เยกเลยทุกท่านะ้องมา้าจละลายใหญ่ท้งไทยใช่ไหมมีอะไรอีกบ้าง ก็เรื่อันองานี่เราจมจมมาแสดงาารแล้ว่้งหลเาะมี่้านี่บ้านองนะบ่มลอน่หมเ่ออันนี้ก็ผมไปเห็นวัดเขามาแบบบางตลา่างมอสามรันกโอคอ นมหายเขาเรียนยังไงเขาจะมัองรงนั้นมาจับประเทศอะไรดิฉันอยู่ศิลปะตุนตรนัวใช่ใช่ศิลปะ มันร้องอ๋ออ๋อนี่ไม่กรสนุนี่โรงงานนี้เขาสูตรเป็นลงวนเรามันนี่เอาตีนเลยใช่ใช่มไปไหนพี่เนาใช่สูตกันไม่เคยไปโอ้โอ้โอ้แกบอกแล้วจะไม่รู้โรงแรมโรงแรมจะรู้จักกันมากกว่าโรงแรมมันจุดไหนก็จะไม่รู้เพราะว่านั่งคุยมากต่วโรงแรมมันอยากจะเข้าไปจุดไหนจุดไหน นี่เจะมีเสียไปสัมผัสเพลงบิลลาร์นของเราคนสนุโน้ตไหมั้ไม่มีกจน่ออย่าใชน่่่่ฮ่า่ กันที่อุตมะเสกที่กลางที่เดิมแต่รู้ l ่าไงเป็นเราเสกที่เดิมไอ้ฉันด้วยฉันจิตคุณพ่ r ตะโกนหัวรักให้เราได้สมัยหีันไม่ไวอย่าลงเพลงไม่ได้ที่อออาใ่ไรี่นี่น่ต่ตงก็งก็นี่งก็่ อาจารก็ตามไปหาที่โน่นสิกคนเลยกเลยครับอมู้บอกนะตามาเ๋อหารสแรเบเนี yeah> ่ยเข้าไปหมดที่ปลาิที่เเพราะว่าพวกแอร์เบก็คุณกฤษณาม่ชอบแรเบรกเบรไม่ได้เกียพวกนี้ไเลยทานีรู้ว่าของจังไงนั่นหะเพราะว่าเขา ก็จะปวดนั่งแข่งไปที่นั่อายโมไม่เห็นเลยจนจบมาจบมเลยแล้วไม่จบวายเลยพ่อะฮังยืน ออนี่แหละนี่ปที่ไหนไปที่ที่ไมไม่ผ่านนโายแล้วพเห็นเร่องทีนามเล่าเขาั่นคุณยตกลงไม่ได้ไม่ต้องอะไรมันจะออกไของู่ในอยู่ในวัถ้าไปดูว่ามีจุดกองมองไข่แสงสุดๆถ้ามีอะไรก็มีมันในการกิน เดินจะมามดี๋ยวๆมาดูดูคต่อไปทมนี่ยผมอยากได้หนังสือมาเพควาี้ไบนขวางเนาะหน้ามารับรองไม่หลงเทียวน่ะเทีนาไม่หเที่าตัวี่้้ คราวหน้าถ้ามาใหม่นะก็ต้องต้องหลงใหม่ต้เนระเบียบนูใจขึ้นต้นเนการหลงต่อไปตองหลงเรื่อยมนะเป็นระเบียบหมดากาศเย็นนี่เป็นที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็มีโบดตรงนี้ผมขอซื้อลังนี้โบสถ์บ้านโบสถ์พลัง มีตงม่วงของตนเอ่ออาที่ของโรงเรียนจีนข้างหน้านี่เป็นโรงเรียนจีนเขาเปิดสอนพวกเดเล่เป็นอุราหรออ่อรางนี้ตรงนี้ใก ล, ล้ๆกันโอ้ดีใจั ลงไปสามปูนี้อ่ะต้องบินออกใช่ไหมสิบสองโมงอ่าก็ต้องสนับสนุนอะไรก็เป็นโบกว่า ถ้ากิดตามตัวสุมาก็ไม่ทันทันแขนเช้าแล้วก็ขึ้นอาแขนเช้าแต่ว่าขึนแล้วก็จะจะทีคนจะจะติดแลเข็งาอ้โดูดูดูดูดูด่าูดูดูดูดูดดด เท้ามีความเป็นสีแล้วก็ขึ้นเพื่อนแล้วว่ะ็ขจะขึ้นเพื่องค่ะวขึ้นเ่ก็วก็เปดหลักสล้วไคนเนี่วนน้นี่สิอแล้วก็ไปไหนอะนร์อออื แล้วก็วนกลมามีม้วนขึ i นวนแล้วก็มาดึงซักกันเล็โตับาแ็มีร่อยๆก็มันกั่านแล้วก็บา ตามคัวหรไอป่าะเนี่ยเด็กเดเก็เด็กเด็กเเ็กด็เดก็เดกเดเ็ก็ดเดเ็ก็ดเดเ็ก็ด